บุกทูหกสิบเซสกที่ธนาคาราาดิฉันต้องการเปิดบัญชี น, ช น, น, นี่คือหนังสือเดินทางของดิฉัน เย็นมีอพาสปตและนี่ที่อยู่ของดิฉันดติฉันต้องการฝากเงินเข้าบัญชีของดิฉันดิ on on ฉันต้องการถอนเงินจากบัญชีของดิฉัน ดิฉันต้องการมารับใบแจ้งยอดบัญชีมิชตุสริเซวิมันคอนเอลรอนดิฉันต้องการแลกเช็คเดินทางมิชตุสเนคาซกิโยาจิสตันเช็ค่อนค่าธรรมเนียมเท่าไหร่คะคมอลตาสลมาลร า, าดิฉันต้องเซ็นชื่อที่ไหนคะ แค่มีซับสครดิฉันกำลังรอเงินโอนมาจากประเทศเยอรมันมีอเทนดัจีรอนเอลเอร์มานยนี่คือเลขที่บัญชีของดิฉันเยนมีคอนโตนูเมโรเงินเข้าหรื อ, อยังคะชลามโนอัลเวนิสดิฉันต้องการแลกเงิน ด, ด, ด, ดิฉันต้องการเงินดอลล่าสหรัฐมีเบซอนส์อสโซไนนดอลล่ารนกรุณาขอแบงก์ย่อยค่ะบนวอลุดด์ดอนมีเอทวาล้อไรนบีเลตต์นที่นี่มีตู้เอทีเอมไหมคะชูเอส ต, ตัสแบงกอัตโนมัติต่ชิเียสามารถถอนเงินได้เท่าไหร่คะ คีอยอมดัมโมโนเอเบลสเอลทีรีใช้บัตรเครดิตอะไรได้บ้างคะคียุยเครดิตคาร์ตอยเูเซเบลสกรุณาไปที่ w w w b o o k 2 d e สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด